นี่ต่อไปขึ้นธรรมะที่ควรละเลยน ะ, okay. ป, กะปกติแล้วชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีสัจจะอยู่สองอนั้นเองคือทุกข์กับสมุทยัยในนี้ก็ได้สองสัจจะคือคำว่าสองสัจจะนี้หมายถึงว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งสมุทยัยถ้าโลกธรรมฝ่ายดีนะเป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยโลกธรรมฝ่ายไม่ดีก็ทุกข์สัตว์ตรงๆอยู่แล้วเนี่ยนะ แต่โลกธรรมฝ่ายดีเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสมูทยัยสตเราพิจารณาดูถ้าหากตามนิกคือชีวิตของสัตว์ในโลกมันก็มีสัจจะสองท่านนั่นเองคือทุกข์กับสมุทยัยส่วนนิโรธสัตว์ก็เป็นธรรมชาติที่ที่สงบประงับจากกองทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะซึ่งปุตุชนจะรู้ไม่ได้โดยที่สุดแม้แต่ความฝันและก็ไม่คือคือไม่อยู่ในวิสัยที่จะคิดคานวณถูกว่าเป็นยังไง นะส่วนที่เหลือที่จะเป็นได้ก็คือการเจริญมัคคสัต์ตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำแล้วจึงจักแทงตลอดนิโรสัตว์เหล่านั้นแต่ชีวิตของทุกคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะเว้นพระอริยะเสียที่เหลือมีสัจจะสองทุกข์กับสมุทยัยเท่านั้นเองกุศลไม่็คือกุศลทั้งหมดนะที่ที่เป็นโลกิยากุศลเป็นทุกขสัต์หมดเลย ทุกขสัตว์หมดโดยที่สุดแม้วิปัสสนายังเป็นทุกขสัตว์ไม่จํากล่าวในอย่างอื่นแต่ที่หวังว่าปัญญาเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยแก่อริยมรรคโดยอุปนิสัยปัจจัยไม่ใช่โดยวิปากปัจจัยหรือกรร ม, มปัจจัยเนี่ยนะไม่ใช่แต่หมายถึงอุปนิสัยปัจจัยหมายความว่าเจริญกุศลเล็กๆน้อยๆเพื่อกุศลธรรมชั้นสูงเป็นอุปนิสัยให้กุศลชั้นสูงขึ้น ท่านในระหว่างการเจริญกุศลธรรมเล็กน้อยเนี่ยนะวิปัสสนาก็เรียกว่ากุศลเล็กน้อยยังเป็นปริตตาอย่างเป็นปริต ธ, ธรรมเนี่ยนะท่านก็ตั้งอุปนิสัยสร้างอุปนิสัยเพื่อเป็นปัจจัยแก่อริยมรุ ก, กุศลท่านถ้ายังอยู่ในกุศลเนี่ยจะถึงจะเป็นผู้ใดก็ตามก็เป็นทุกข์สัตว์หมดแต่ว่ากุศล น, นี้ก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือตามกระแสกับทวนกระแสกุศลประเภทการเจริญวิปัสสนาเป็นกุศลประเภททวนกระแส หรือคําว่าทวนกระแสเนี่ยนับตั้งแต่การให้ทานแล้วปรารถนาแทงตลอดสัจจะนี่ก็ชื่อว่าทวนกระแสแล้วนะให้ทานรักษาศีลหรือเจริญวิปสัสนาเป็นต้นนะก็กุศลประเภททวนกระแสก็มาแบ่งเป็นสองประเภทสิขาทั้งหลายโดยทั่วๆไปแล้วท่านจ ะ, ะมันแบ่งออกเป็นโดยโลกิยะกับโลกุตระถ้าเป็นศีลสมาธิปัญญาของบุคคลภายนอกก็ไม่จําเอามากล่าวเพราะว่าไม่ได้เกื้อกูลอะไรต่อการแทงตลอด อริยสัจเลยเนี่ยนะมันอวิชชาจึงเป็นปัจจัยแก่ปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นนั่นเองในปฏิปทาสูตรเนี่ยนะสังยุตติกานิธานวัตเนี่ยกล่าวถึงว่าแม้แต่กุศลถึงระดับอรูปฌานถ้าเป็นปัจจัยแห่งวะตะก็ถือว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นทุกขสัตว์คือคือ ถือว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาด้วยนะถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดหมดถ้าถ้าเจริญกุศลนะแม้กระทั่งทานศีลภาวนาหรือแม้กระทั่งเอาที่สุดเนวสัญญาณนะสัญญายตนะชื่อว่ามิจฉาปฏิปทาหมดถ้าจะเป็นปัจจัยแก่การปฏิสนธิแต่ถ้าการให้ทานและตั้งความปรารถนาเพื่อวิวัติเนี่ยนะเพื่อแทงตลอดอริยสัตว์อันนี้ชื่อว่าสัมมาปฏิปทาโดยที่สุดแม้การให้ทาน เนี่ยนะจึงจะเข้าถ้าพีเดียวก็ตามถ้าเห็นภายในอุปาทานขันธะแล้วให้ทานและตั้งความปรารถนาเถอะอันนั้นแหละชื่อว่าสัมมาปฏิปทาแล้วเพราะเป็นอุปนิสัยแก่วิวัตต์อย่างบุคคลทั้งหลายที่ตรัสรู้ธรรมในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะหรือหลังพุทธกาลมาก็ตามท่านเหล่านั้นเคยทํากุศลซึ่งวัตถุในการทํากุศลของท่านก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรบางท่านก็ข้าวถ้าพีเดียวเนี่ยนะบางท่านก็ชิ้นเนื้ออย่างบางท่านก็เนี่ยไป ไปฆ่าสัตว์มาเนี่ยไปฆ่าสัตว์มาไปฆ่านกมาแล้วก็ประกอบอาหารจะกินเองนั่นแหละเห็นพระมาก็ทําบุญเนี่ยนะพระประเจกันนะทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอุท่านตรัสรู้ทำใดขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งการตรัสรู้ธรรมนั้นด้วยเนี่ยนะคือคือเขาไม่รู้ในชั้นสูงรายละเอียดอะไรมากอะแต่รู้ว่าสิ่งที่ท่านบรรลุเนี่ยดีมากทําให้ท่านพ้นทุกข์อะเพราะฉะนั้นขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งการ บรรลุธรรมะนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัมมาปฏิปทาแล้วเพราะว่าการตั้งไว้อันนั้นเป็นอุปนิสัยให้ท่านตรัสรู้ถ้าท่านไม่ตั้งส่วนนั้นเอาไว้นะยังไงก็ไม่ได้บรรลุก็ผมยังเวลาไปบิณฑบาตนะผมยังชอบโยมหลายคนเลยนะชีวิตของเขาก็เขาเดือดร้อนนะนะเขาก็มีความทุกข์เวลาเขาให้ทานเนขาเขาใช้คําหนึ่งผมพอใจมากในคําปาถนาของเขา เขาบอกว่าขอให้พ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ไงนะคือศัพท์นี้มันตรงตัวดีอ่ะนะมันมันตรงตัวจริงๆแล้วก็ชาวชนบททั่วๆไปเนี่ยที่ที่เขาก็จริยธรรมไม่ดีมากศีลธรรมเขาก็ไม่ดีมากความเข้าใจเขาไม่มากแต่เวลาเขาทํากุศลเขาจะตั้งความปรารถนาเพื่อเนี่ยเพื่อพ้นทุกข์หรือเพื่อสิ้นไปแห่งอาสวะเขาก็ไม่ได้ชอบอะไรมากมายแต่ทีนี้ว่าโดยบุญทั่วทวไปเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกที่จะทําอย่างนั้นเห็นไหม ผมมีโยมที่ที่มาอุปถัมภ์อยู่คนหนึ่งเนี่ยนะเช้ามืดเนี่ยเขาก็ต้องไปเนี่ยไปเขาอาชีพประมงอ่ะนะแต่ว่าสายหน่อยเขาจะมาทําบุญแล้วก็อาราธนาฟังเทศให้ทานสมาทานศีลปาราธนาวิวัตะนี่แหละอีกภาคหนึ่งเขาก็ต้องไปประกอบอาชีพแบบนั้นแหละถามว่าเขาชอบไหมแบบนั้นเขาไม่ชอบหรอกเขารู้ว่ามันมีโทษไม่รู้เวลาเขาเห็นพระเนี่ยสังเกตเลยว่าเขาเดือดร้อนมาก คือเวลาสมัยบาตรมันที่เดียวกันกับสายเราบินธบาตรอยู่แล้วเวลาเขาทําปานาทิบาตอยู่เขาเห็นเราเดินไปเนี่ยเขาเขาจะหลบเขาเขาเขาเขาาไม่มีความสุขเลยนะเขาไม่อยากทําแต่ว่ า, าคือเราต้องยอมรับว่าขีดความสามารถของมนุษย์ไม่เท่ากันบุญไม่เท่ากันสติปัญญาไม่เท่ากันชาติตระกูลไม่เท่ากันทรัพย์สินไม่เท่ากันนั้นบางคนเนี่ยแทบไม่มีทางเลือกเลยะ ข้ากับข้าวห้าบาท1ิบาทเนี่ยเขาไม่มีปัญญาซื้อเพราะฉะนั้นแต่ละมือที่เขาดำรงชีวิตอยู่คือหมายถึงต้องทำปานาธิบาตเนี่ยนะจะไปใ ห, ให้เขากินผักกินหญ้าเนี่ยมันก็กินได้ไม่เกินสามันหรอกเพราะผักหญ้าที่ที่มันจะมีประโยชน์จริงๆมันก็ต้องเป็นผักที่ค่อนข้างมีราคาอีกนั่นแหละมันก็เอา้ากับปลูกผักเอาสิปลูกผักเนี่ยแต่รดน้าผักเนี่ยนะ ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะถ้าไม่มีปั๊มไม่มีอะไรขึ้นมาเนี่ก็ไม่ใช่จะรดน้ําผักง่ายๆนะใครบอกว่าทําผักเนี่ยง่ายเดี๋ยวพอปลูกมาเดี๋ยวมแมลงลงอีกละนะถ้าไม่เป็นจริงๆเนี่ยโอ้โหอย่าว่าใครเลยให้เห็นว่าเนี่ยคืออุปาทานขันท่าที่เกิดขึ้นมาในโลกมันเป็นอย่างนี้ข้ามายังสนทนากันเลยว่าใครที่เกิดมาในโลกนะไม่เปื้อนบาปกลับไปเนี่ยหายากเต็มที่ใครที่ลงมาในในเนี่ยในโลกคืออุปาทานขันท่านะ แล้วไม่มีบาปไม่มีข้อตําหนิตัวเองกลับไปเลยแม้แต่หน่อยเดียวเนี่ยหายากมากอย่าว่าแต่เราเทั้งหลายเลยนะอ่านในชาดกเนี่ยจะเห็นแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์บางชาติเนะี่ยมหาหัตติปาระชาดกเนี่ยนะนะท่านท่านเป็นแค่ว่าเป็นลูกพระราชาแต่ว่าให้คนเลี้ยงช้างไปเลี้ยงก็เลยชื่อว่าหัตติปาระเนี่ยนะนะทีนี้เกิดมาไอ้ความที่ ไม่มีคําสอนไม่มีธรรมะธรรมโ ม, มอะไรเลยเนี่ยก็นักเลงดีๆเนี่แหละอันตาพาลครองเมืองกันแหละเป็นลูกพระราชานี่แหละเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยก็เป็นอันตรพาลเลยแหละเนี่ยนะพอเสร็จแล้วเห็นรูสีเท่านั้นแหละแกก็ไปถามไอ้รูสีมดียังไงอะไรยังไงเนี่ยนะออกบวชเลยเนี่ยนะเห็นแบบที่ออกบวชนี่เหตุผลบอกว่าบาปมันทําไม่แล้วอะ่ะเนี่ยนะมันหลายๆครั้งเนี่ยพระโพธิสัตว์ที่ทําบาปเพราะอ า, อาศัยอะไร ปัจจัยแห่งการทําบาปมีสองอย่างคือภายในกับภายนอกภายนอกก็คือปาปามิตรภายในก็คืออโยนิโสมนัสิกางรฉะนั้นถ้ายังมีสองประการอยู่ใ น, ในโลกเนี้ก็ยังมีสองประการนี้อยู่ดีใช่ไหมเมื่อเกิดมาในโลกอ่ะปาปามิตรหรือคนพาเนี่ยก็มีอยู่แล้วอย่างที่สองเนี่ยนะวิปลาสก็มีอยู่ในอัธยาศัยของบุคคลนั้นๆ ท, ที่ปฏิสนธิอยู่แล้วเพราะที่ไม่เปื้อนบาปนิหายากนะคือ ก็ยกย่องอะนะแม้ถ้าใครเกิดมาแล้วไม่ได้ทําบาปติดไม้ติดมือนะโดยยกตัวอย่างว่าเกิดมาไม่เคยล่วงอกุศลกรรมบดเนี่ยเอางี้นะธรรมดาป่ะนะมายกทําทไมเขาเก่งขนาดนั้นนะทำไมเขาดีขนาดนั้นนะเขาควรแก่การเคารพมากอะถ้าถ้าว่าโดยทั่วๆไปนะควรแก่การยกย่องควรแก่การสรรเสริญมากว่าทําไมเขาจึงเป็นบัณฑิตได้ขนาดนั้นทําไมเขามีบุญขนาดนั้นว่าเขาเกิดมาโดยที่ไม่เปื้อนบาปเลย แต่ว่าโดยปกติทั่วๆไปแล้วไม่ใช่เห็นไหมก็โอ้โหนึกแค่ว่านึกแล้วโดยทวโดยมากนะสัสตว์จะกินแหนงแคลงใจกับตัวเองซะส่วนใหญ่คือคนเปื้อนบาปกับไม่เปื้อนบาปเนี่ยนะถ้าระลึกถึงชีวิตตัวเองได้ตลอดสายเนีดูว่าวิปปิสานหรือโสมนัตต์ดงโดยรวมๆเลยนี่ปกติจะค่อนข้างโสมนัตหรือวิปปิสารเพราะในความวิปปิสานอันนั้นะถือเป็นผลพลวงของ เรียว่าไอตราบาปที่ที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้อันนี้คือโทษอย่างหนึ่งของอุปาทานขันห้านั้นอุปาทานขันห้ามันจึงเป็นที่ตั้งแห่งบาปทุกชนิดเนี่ยนะสารภาพบาปที่จะเกิดขึ้นได้แต่ที่ถามว่าในบรรดาที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนะผลของอุปาทานขันห้าคืออะไรดูมิฉตะต่อไปนะคือมิชาทิฐินั่นแหละหน่ากลัวที่สุดในบรรดาเมื่อเกี่ยวข้องกับอุปาทานขันห้าเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะมีโทษมากเท่ากับ มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่ตรงกันข้ามกับเบื้องต้นเลยตรงข้ามกับอะไรเบื้องต้นตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิใช่ไหมทีนี้ตรงข้ามเบื้องแรกเลยคือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิกรรมมีผลไอ้มิจฉาทิฏฐิบอกไม่มีผลก็ถ้าปฏิเสธกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิแลนะ้วเนียอย่างอื่นไม่ต้องก็ถือว่าปฏิเสธหมดทุกเรื่องเนี่ยนะ อันมิจฉาทิฐินี่จึงเป็นเป็นตัวที่มีโทษมากที่สุดนันผู้ที่มากไปด้วยมิจฉาทิฐิเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาหรืออวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดมิจฉาทิฐิขึ้นเนี่ยนะอันผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยจะเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระพอเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแล้วนะ ต่อไปมิจฉาสังกปะก็จะติดตามมาในในคาถาธรรมบทย ม, มะกะวักเรื่องอาจารย์สันชัยเนี่ยนะก็คือเรื่องภาษารีบุตรที่ไปชวนอาจารย์สันชัยมาบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าอะ่ะอาจารย์สันชัยบอกไม่ไปเป็นคณาจารย์ใหญ่ขนาดนี้จะไปเป็นอันเทวาสิก ค, คนอื่นได้ยังไงเด่นะบอกอาจารย์อย่าทาอย่างนั้นเลยอ่างนั้นไม่ได้พวกเธอไปกันเถอะฉันไปไม่ได้นะก็บอกว่าอาาน พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆนะรัติอาจารย์ไม่มีอะไรบอกก็สรุปว่าไปไม่ได้เหมือนกันแล้วก็อาจารย์ทําไมอาจารย์ไปไม่ได้เขาบอกกู้เป็นได้ลาบสการะมากมายขนาดนี้แล้วอะ่ะอาจารย์ลาบสการะของอาจารย์ไม่ได้เนี่อะไรก็เดี๋ยวไม่นานนะลาบสการะขึ้นต่อพระพุทธเจ้าหมดอะ่ะสถามว่าในโลกไม้คนโง่งมากหรือฉลาดมากคนโง่งมากบอกเออพวกฉลาดก็ไปหาพระสมณะโคโดมไปโง่งมานนี่ คือหนึ่งนะแกเห็นเห็นประโยชน์ของอะไรก่อนเห็นประโยชน์ของปัจจัยสีนั่นเองเพราะเห็นปัจจัยสี่ว่าโดยรวมๆนะถามว่าเป็นสาระไหมเอาเอาสาระคือศีลสาระเนี่ยนะปัจจัยสี่เนี่ยสีและสาระอยู่ตรงนั้นไหมปัจจเวกไหมล่ะอาหารเนี่ยเอาแค่ธรรมดาก่อนเนี่ยนะปั จ, จเวกไหมสองอาหารนี่ได้มาโดยสุจริตทำไหมเนี่ยนะพอให้เห็นศีแลสาระอยู่ตรงนั้นหรือข้อต่อไปนะเห็นสมถะ นะสมาธิเป็นสาระอยู่ตรงนั้นไหม่ น, นะวิปัสนาเนี่ยนะการใคร่ควรการทำปริญญาเป็นต้นในวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นน่ยมีไหมเพราะนับว่ายากนั้นถ้าผู้ใดไปให้ความสำคัญกับปัจจัยสี่มาก<ๆ>ก็เห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระทีนี้ถ้ามองระยะใกล้นะเขาจะไม่เห็นหรอกว่ามันไม่มีสาระแต่ถ้ามองไกลๆ อ, อ, อ, อ่านอ่านชาดกเห็นชัดเรื่องเรื่องพระเทวทัตนะน พระเทวทัตเขาเป็นเป็นราชกุ ม, มารเนี่ยนะมังกุรกุ ม, มารเนี่ยที่หูดูร้ายมากจนพวกอํามาศขราชการเนี่ยเบื่อนายเต็มทีแล้วนะเสร็จแล้วก็ไอ้มงกุรราชกุ ม, มารเนี่ยเขาอยากจะไปเล่นน้ำนั่นนะอํามาศทั้งหลายก็เออได้ช่องเลย ง, งานนี้ปล่อยลงน้ําไปเลยเนะก็เลยลอยน้ําต้มแต้มต้มแต้มต้มแต้มไปเนี่ยนะพวกพวกเขาปล่อยเนี่ย เสร็จแล้วก็ไปเกาะคอนไม้อยู่คอนหนึ่งสมัยนั้นก็มีนกตัวงก็ตกลงมาตกเกาะอยู่ที่คอนไม้ด้วยหนูก็มาเกาะที่คอนไม้ด้วยอะไรอีกตัวนนะมีงูด้วยงูหนูนกไงนะสามอย่างก็ไปเกาะคอนไม้คอนเดียวกันแล้วก็คนด้วยเนี่ยนะก็พาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนก็ร้องไห้นะกลัวตาเยเนี่ย หนาวด้วยเลยโวยวายใหญ่เลยนะระงมแล้วทีนี้เอขอนไม้เนี่ยมันก็ลอยไปหน้ากุฏิหรือสีหรือสีก็เลยไปเอาขึ้ น, น เ, เอาขึ้นเอาขึ้นก็จุดไฟให้ผิงดูแลก็บอกว่าพวกนกพวกหนูพว ก, ก, พว ก, พวกงูตัวนั้นเนี่ยก็คืออดีตชาติของเราเนี่ยเราพระคระสาวกทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าอดีตชาติท่านเหล่านั้นเนี่ยมีทรัพย์อยู่หลายโกด ติดข้องในทรัพย์อันนะติดข้องในปัจจัยสี่ก่อนจะตายก็เลยเกิดไปเป็นงูเนี่ยเฝ้าขุมทรัพย์เนี่ยนะอย่างหนึ่งเป็นงูเนี่ยเฝ้าขุมทรัพย์อีกอย่างหนึ่งเป็นหนูเป็นงูอยู่แถวแถวแบบโบราณะนะคือเขาไม่มีธนาคารนะสมัยนี้ของมายัางเลิกไปเกิดแถวแถวธนาคารนี่พวกพนยาตายหมดแน่เป็นงูเป็นหนูะนะไปขุดไว้ตรงไหนแล้วก็ยังไปอยู่ตรงนั้นได้นานหน่อยแต่ถ้าไปเป็นอยู่ธนาคารเนี่ยตู้เซฟเนี่ยไปนอนอยู่ตรงไหนเนี่ย จะไเกิดเป็นแมลงวันแมลงวี่อยู่แถวนั้นเขพ่นยาตายหมดอ่ะทั้นถ้าซับเนี่ยถ้าติดข้องแล้วอ่ะผู้ที่ติดข้องถ้าจะจุติในเพราะระลึกถึงสิ่งนั้ น, นด้วยกุศลหรืออกุศลเ <c oughs> นี่ยนะพวกตารบอกมาจะให้เป็นกบเป็นเขียดอยู่แถวนี้เราอย่างพวกตารว่าอะไรเพราะนั้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจะเห็นปัจจัยสี่ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเพราะงั้นก็จะหมกมุ่นติดข้อง ไอ้ปัจจัยสี่เนี่ยนะมันเป็นวัตถุกรรมที่หนึ่งทุกตั้งแต่คิดนะคิดอยากเอานี่ก็ทุกแล้วอ่นนะทีนี้ไ อ, อ้ความคิดนี่ก็เอ๊ะจะได้มาโดยสุดจริตทำนะปัจจัยสี่ก็ไม่ใช่ไม่มาโดยง่ายใช่ไหมถ้าจะต้องการปัจจัยเหล่านี้โดยสุดจริตทำที่เหลือก็คิดบาปแนละ้วอ่นนะจะทำบาปในตัวไหนบ้างที่เป็นตัวง่ายๆที่จะทำให้ได้ปัจจัยสี่เหล่านั้นมาถ้าได้มาอีกก็ต้องปกปักรักษาเนี่ยนะนะ บางทีก็ถ้าได้ปัจจัยสี่มาจะยอมฆ่าสัตว์อื่นก็เอาเพื่อที่จะรักษาไอ้ปัจจัยสี่เหล่านั้นยกตัวอย่างถ้ามีบ้านเนี่ยนะแล้วปลวกขึ้นเต็มไปหมดเลยปกติทั่วๆไปนี่จะทำยังไงจะเอาบ้านหรือจะเอาปลวกหรือจะเอาสินอย่างเงี้ยจะเอาอะไรคนที่ตัดสินใจเนี่ยนะคาปลวกเนี่ยมี100ร้อยละเก้าสิบกว่า สํานวนว่าเกือบทั้งนั้นเลยนะเว้นแต่คนที่ศึกษาธรรมะเรียนเรื่องกรรมมาเป็นอย่างดีแล้วมีฐานะหน่อยอย่างเงี้ยนะจึงจะจึงจะยอมบางคนเดี๋ยวว่ายอมเสียศีลก่อนแนละ้วค่อยสมาทานใหม่เนี่ยนะบางคนก็คิดเลยไปขนาดนั้นอีกเนี่ยให้เห็นว่าวัตถุเหล่านั้นเนี่ยรักษานี่ก็รักษาด้วยบาปเหมือน้นเถอะติดข้องเวลาใกล้ตายก็ด้วยบาปอีกนั้นวัตถุทั้งหลายเนี่ยจึงมีโทษใน ใ น, ใ, นในเบื้องต้นอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สาระแต่มิจฉาทิฏฐิถือว่าเนี่ยคือสุดยอดของสาระผู้ใดมีวัตถุทั้งหลายเหล่านี้มากควรแก่การสรรเสริญมากควรแก่การยกย่องมากให้ค่ากับวัตถุทั้งหลายเหล่านี้มากนะอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นคําสอนใดที่เป็นไปเพื่อมิจฉาทิฐิธรรมเทศนานะธรรมเทศนาที่เป็นปัจจัยแห่งมิจฉาทิฐิอันนั้นก็ไม่ใช่ สาระอันนี้กล่าวตามอัตถกถาธรรมบทนะคือแม้กระทั่งคําสอนที่เป็นไปเพื่อมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดชื่อว่าไม่มีสาระแต่อาจารย์สัญชัยเนี่ยนะอาจารย์ภาษาริบุตรถือว่ามีสาระในที่สุดก็เลยไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระชั้นแรกเลยแกไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระยังไงลูกศิษย์เนี่ยนะภาษาริบุตรพอพูดอย่างนั้นจบนะอส า, ารบุตรก็พาลูกศิษย์ออกไปลูกศิษย์เนี่ยติดตามทันทีเลย500ร แกก็เหลียวปรับดูสํานักอ่ะ น, นะว่างโล่งหมดเลยทําไงอ่ะก็สมนักถ้าจะของบริษัทก็ลูกน้องลาออกทันทีเลยนะทั้งบริษัทอย่างเงี้ยนะอะ ก, ะก็แลก็เหลียวซ้ายเหลียวขวาเนี่ก็อักเลือดเลยอะ่ะคือโทรมนัดแรงมากอะนะ่ะเนี่ยโทรมนัดจนจนกระอักเลือดเลยอะ่ะลูกเสร็จเนี่ยหันหลังกลับมาสงสารอาจารย์สองรอยห้าสิบเนี่ยนะโอ้ก็อักเลือดขนาดนั้นนะจึงจะเรียกลูกเสร็จได้คืนสองร้อยห้าสิบเนี่ยนะ แล้วก็แล้วคติสองของมิจฉาทิฐิคือปองก็ตัดนะนะสูตรแบบนี้มีมากเหลือเกินเนี่ยนะเจอบ่อยมากอะ่ะคติสองของมิจฉาทิฏฐิคือนรกกับเดรชาเนีนะทนะ่านผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะคือเขาเข้าใจยังไงเขาเห็นยังไงเขาก็สัมมิจฉาสังกับปะก็จะตามมาอย่างนั้นนะนะตรงนี้ท่านใช้คําว่ามิจฉะตะมิจฉะตะเนี่ยมันแปลว่าเป็นความดิ่ง มันเป็นความผิดที่ดิ่งมากอนะแก้ยากแก้ทิถีนี่ก็ยากแก้ความเห็นนี่นะสมมุติว่าใครเห็นยังไงเข้าใจยังไงนะแก้ยากมิจฉาสังกปะก็แก้ยากสมมุติว่าคนที่กามวิตกมากมากนะไปแก้ให้เป็นเนคขมวิตกแก้ยากพยาบาทวิตกไปแก้ให้เป็นอัพยาปาทาวิตกนี่แก้ยากวิหิงสาวิตกนะไปแก้ให้เป็นอวิหิงสาวิตกนี่แก้ยาก คนที่หมกมุ่นในกรรมนะบอกแล้วไปบอกว่ากามไม่ดีอย่างเงี้ยนะอันนี้แก่ยากคนที่คิดไม่ชอบคนเนี่ยแล้วไปให้เจริญเมตตากับคนเนี่ยอันนี้ก็ยากคนที่ขาดความการุณาแล้วให้ไปเจริญกรุณาอันนี้ก็ยากเคนจากมิจฉาสังกปะนี่ก็นะว่าเป็นตัวที่ดิ่งแล้วก็หันกลับไปเป็นสัมมาสังกปะนี่ก็ยากสัมมาวาจานะก็ยากเหมือนกันนี คนมักมูสาบ่อยๆให้มารักษาข้อเออเว้นจากมูษานี่แก้ยากนะคนมักส่อเสียดเนี่ยพูดให้เขาแตกร้าวกันบ่อยๆจนชำนาญเนี่ยให้เขาเลิกเอกประกอบกรรมอันนั้นนี่ก็ยากคนที่ชอบด่านียพูดคําด่าคําพูดคําด่าคําให้เขาพูดดีนี่ก็พูดยากนะวาจาอันนั้นเนี่ยเอกความเคยชินการใช้วาจาเหล่านั้นอันนี้ก็ยากแล้วคนนิยมเดรัจฉานกระถานเนี่ยนะก็แก้ยาก สมมติเรปกติเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจนะให้เขาหันมาฟังอริยสัจอย่างเงี้ยอโอ้โหมันมันมันยากยากมากเลยนะให้ใครมาพูดอริยสัจให้มาฟังอริยสัจเนี่ยโอ้โหมันแทบไม่ใช่ฐานะเลยนะเห็นว่าพวกมิจฉาทั้งหลายเหล่าเนี้แก้ยากหมดเลยแม้กระทั่งอาชีพนะให้เขาเปลี่ยนอาชีพเนี่ยนะไปชักชวนคนอื่นเปลี่ยนอาชีพง่ายไหม อย่าไปทําเลยเนี่ยนะสมมติอ่ะไปทําอย่างอื่นแทนเธอเนี่ยนะอาชีพนี้ก็เปลี่ยนยากนะจากคนหนึ่งจะไปเปลี่ยนอาชีพไปอีกคนเนี่ยอันนี้ยากมากแต่ว่ามีคนที่เปลี่ยนนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วน้อยมากที่จะเปลี่ยนอาชีพเนี่ยนะเว้ไว้ไว้ไปถึงทางตันในส่วนนั้นๆจริงๆแล้วหันกลับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วการที่จะไปแนะนําชักชวนให้คนเปลี่ยนอาชีพนี้ไม่ง่ายเพราะฉวนใครบวชนี่จึงไม่ใช่เป็นของง่าย เนี่ยนะก็เท่ากับเปลี่ยนกายวาจามหมดเลยใช่ไหมจากคนขี้เกียจเนี่ยนะให้มาขยันเนี่ยง่ายไหมไม่ง่ายเลยนะเพรานมิจฉาวายามะนะถ้าใครดิ่งไปอย่างใดอย่างหนึ่งเนยะจะแก้ก็ยากมิจฉาสติเนี่ยนะเขาชอบระลึกอะไรผิดผิดด้วยความประมาทนะนะมิจฉาสติเนี่ยท่านอธิบายด้วยความประมาทเป็นใหญ่ลักษณะของมิจฉาสติคือประมาทเนี่ยนะนะอันผู้ที่ประมาทเนี่ยทําให้เขาไม่ประมาทเนี่ยทำง่ายไหม ก็ยากมากนะครับผู้ที่มักประมาทเนี่ยนะปล่อยประละเลยไม่ไม่เห็นคุณของการเจริญกุศลเนี่ยนะเพราะคําว่าประมาทก็คือการปล่อยสติเป็นลักษณะเพราะผู้ที่มีสติคือผู้ที่ไม่ประมาทเพราะแค่ว่าจากประมาทให้ไม่ประมาทนี่ก็ยากพวกที่ละลึกผิดนี่ก็แก้ยากมากนะ